การปฏิบัติของพวกเราอย่าได้ไปห่วงกังวลนะว่าปฏิบัติได้ก้าวหน้าเพียงใดถ้าเราปฏิบัติวางใจให้เป็นทำความเพียรมันก็ย่อมเกิดผลแต่ว่าผลนั้นเนี่ยอาจจะคนละอย่างอย่างที่เราตั้งใจบางคนอาจจะมา เพื่อหวังความสงบก็คอยสอดคอยสองว่าเมื่อไรจะสงบสักทีพอไม่สงบก็รู้สึกว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไม่เกิดผลอะไรแต่ที่จริงผลมันเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่เรามองไม่เห็นหรือมองผิดที่ผิดทางเหมือนกับคนที่ปลูกต้นมะม่วง ถ้าดูแลดีก็ย่อมเกิดผลมะม่วงขึ้นมาแต่ถ้าเราไปมองหาแอปเปิลในต้นนั้นก็คงไม่เจอมองเท่าไหร่ก็ไม่เจอ Apple. แอปเปิลก็เลยรู้สึกว่าปฏิบัติก็เลยรู้สึกว่าปลูกไปไม่ได้ไม่ได้ผลลงทุนลงแรงไปทำไมไม่เห็นมีแอปเปิลออกมาสักลูกเลย มันไม่มีแอปเปลเกิด ข, ขึ้นจริงแต่ไม่ได้หมายว่าต้นมานี้ไม่มีผลแต่มันเป็นผลคนละอย่างจากที่เราสอดสายการปฏิบัติคนที่ปฏิบัติก็อาจจะตั้งใจอยากจะได้ผลอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ปฏิบัตินั้นอาจจะเกิดผลอีกแบบนึงขึ้นม า, าพอพยายามดูว่าไอ้ผลที่เราต้องการหรือที่เราคาดหวังมันไม่เกิดขึ้นก็รู้สึก เฉยใจแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรามองมองผิดที่ผิดทางหรือว่าสร้างภาพอย่างไม่ตรงกับความเป็นจริงนะลองเปิดใจให้กว้างดูก็อาจจะพบว่าเออมันได้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติแต่ในน้อ ย, น, อยนี่ก็ควรสร้างให้เกิดความพอใจในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นนะ ความพอใจก็คือฉันทะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี้มีความพอใจไม่ใช่พอใจในโลกนะอันพอใจในโลกหรือไม่พอใจในโลกนี้ก็ต้องถอนออกมาโสมนัตหรือโทมมัตนี้เรียกว่าพอใจและไม่พอใจในโลกบางทีท่านก็เรียกอภิชาและโทมมัตนะก็ถอนออกมาแต่สิ่งที่ควรสร้างให้มีมากขึ้นเรื่อยๆก็คือความพอใจในการปฏิบัติที่เรียกว่าฉันทะ หรือความอยากปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่กิเลส น, นะถ้าความอยากได้นี่เป็นกิเลสแต่ถ้าความอยากทำอยากปฏิบัติเลยเพราะปฏิบัติสิ่งที่ดีนี่มันเป็นกุศลทาพุทธศาสนาเรียกว่าเราเรียกว่าฉันทะคนละอย่างกับความอยากที่เป็นตันหานี่ถ้าเราสะสมความพอใจในการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้ทีนี้การปฏิบัติก็จะเป็นเรื่องง่ายแล้ว ถึงแม้ว่าไม่ได้สร้างจังหวะไม่ได้เดินจงกรมเดินกลับไปกุฏิอาบน้ำถูฟันล้างชามซักผ้าก็สามารถเปลี่ยนให้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้พะมีฉันท่าเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมีใครมาจำ้ำจี้จ้าใช้ไม่ใช่ว่าต้องม า, มาปฏิบัติเฉพาะอยู่กับเป็นกลุ่มให้คนเห็นให้ครูบาจารู้มันไม่จาเป็นแล้วเพราะว่าพอมีฉันทาแล้วก็อยากทา ใครเห็นไม่เห็นเราก็ทำเพรอมทำแล้วมีความสุขแต่มันไม่ใช่แค่ความสุขที่เกิดขึ้นเท่า น, นั้นแต่ว่าผลของการปฏิบัติเช่นมีสติรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นไปด้วยและสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์นะต่อชีวิตและการทำงานการเจริญสติคือการพยายามสร้างร่องหรือเส้นทางใหม่ให้แก่ชีวิตเส้นทางเดิมนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเต็มไปด้วยการปรุงแต่งนะ คิดข้ามช็อตตีตนก่อนไข้แล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์โดยใช่เหตุมันจะเป็นการสร้างเส้นทางใหม่ให้แก่ชีวิตแล้วก็วิธีใหม่ในการทำงานนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยหรือเปล่าประโยชน์เลยแต่ถ้าเราไม่ไม่มาใส่ใจเรื่องนี้เนี่ย บางทีชีวเราจริตใจเราก็สูญเปล่าไปกับเรื่องของความปรุงแต่งความกองวงวิตกมีเพื่อนคนหนึ่งแกมีงานที่จะต้องเร่งทำให้เสร็จอีกอาทิตย์นึงเนี่ยนะจะถึงกำหนดจัดงานมีหลายอย่างที่ต้องทำมากพอนึกถึงงานที่ต้องทำแล้วนึกถึงเวลาที่กระชั้นเข้ามา ใจนึงก็อยากจะเร่งทําให้เสร็จแต่แนวรัศดวกันเพราะความอยากจะเร่งทําให้เสร็จก็เลยเกิดความวิตกกังวลวิตกกังวลว่าอะไรวิตกกังวลว่าจะไม่เสร็จทันให้ความอยากให้เสร็จกับความวิตกก็จะไม่เสร็จนี่มันเป็นของคู่กันนะอยากให้เสร็จก็จะมีความกลัวหรือความวิตกก็จะไม่เสร็จหรือเสร็จไม่ทันเพราะฉะนั้นยิ่งอยากให้เสร็จอยากจะเสร่งให้เสร็จให้งานเสร็จ ตามกหนดก็เลยยิ่งวิตกพอวิตกเข้าก็เลยเครียดพอเครียดเสร็จก็เลยปวดหัวพอปวดหัวเสร็จทำงานไม่ได้เลยต้องนอนเอาแรงก็กลายเป็นว่างานที่เร่งให้ทำให้เสร็จกลายเป็นช้าลงเพราะว่าทำอะไรไม่ได้ปวดหัวปวดหัวเพราะอะไรเพราะวิตตกยวไม่ทันจะทำอะไรเลยก็ต้องต้องนอนละซึ่งมันก็แปละนะอยากจะเร่งทาให้เสร็จ แต่ก็ลงท้ายคือว่าทำให้งานเสร็จช้าลงเพราะว่าหมดสภาพหมดสภาพกับอะไรหมดสภาพกับความคิดความวิตกยัไม่ทันจะทำอะไรเลยสักอย่างแค่วิตกเท่านั้นแหละนะก็ทำงานไม่ได้แล้วยิ่งอยากให้เสร็จเร็วกลายเป็นเสร็จช้าเนะียเป็นอย่างนี้กันมากนะแทนที่จะเอองานเร่งต้องเร่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขวนขวายต้องพยายามรักษาจิตรักษาใจให้พร้อม ให้ให้ใหม่ให้สดเพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้มีกําลังในการทำงานให้เต็มที่นะเปล่านะไปเสียเวลากับไอ้ความวิตกกังวลเสร็จ แ, แล้วก็เลยป่วยเสร็จ แ, แล้วก็เลยหมดสภาพทำอะไรไม่ได้นะนะคนเราเป็นอย่างนี้กันเยอะโดนความคิดโดนความรู้สึกมันเล่นงานเรา แตถ้าเรามีสติเนี่ยนะก็รู้ว่าเร่งอยู่แต่พอใจมันรนใจมันเร่งขึ้นมาก็ก็รู้พอรู้แล้วมันก็สงบลงพอสงบลงแล้วเราก็ทําไปทีละอย่างทีละอย่างทําวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้เอาไว้เอาไว้ค่อยถึงวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําเช้านี้ให้ดีที่สุดทําชั่วโมงนี้ให้ดีที่สุด ถ้าคิดแบบนี้เนี่ยอยู่กับปัจจุบันขณะแบบนี้มันไม่มีอะไรต้องกังวลนะไอ้ที่กังวลก็ไปคิดข้ามช็อตนะทำทำชาติแต่คิดถึงพรุ่งนี้แล้วว่าโอ้โ oh, ห oh, พรุ่งนี้อีกต้องเยอะนะถ้าเป็นอย่างนี้กันมากแล้วเราก็ทุกเสร็จแล้วงานก็ไม่เสร็จเสร็จแล้วก็เครียดนะงานไม่เสร็จก็แย่แล้วแถมยังเจ็บยังป่วยอีก เพราะฉะนั้นยิ่งเร่งให้เสร็จเนี่ยยิ่งต้องมีสติให้มากเพราะเพื่อมีสติแล้วใจก็จะปลอดโปร่งนะแล้วก็กําลังวังชาก็พร้อมอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยนะบางทีไอ้คนที่ขยันคนที่ขยันอยากจะรีบทำอะไรให้เสร็จไวๆเนี่ยมันต้องมีสมาธิมากํากับให้นิ่งพอให้นิ่งพอถ้าไม่นิ่งพอนี้จะลน้นพอจะลนพอล้นแล้วนี่ก็ เครียดด้วยงานก็แย่ด้วยแต่ว่าจะมีสมาธิมากํากับหรือทวงดุลกับวิริยะความเพียงก็ต้องมีสติมาช่วยนี่เราลองหัดใช้สติเข้ามาเป็นเป็นเป็นหางเสือนะหรือเป็นเครื่องกํากับในการทํางานและการดาเนินชีวิตเราก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขนะเรียกว่า งานได้ผลคนก็เป็นสุขด้วยนะอันนี้มันเป็นเป็นิธีการที่คนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หลายคนที่เป็นผู้ที่เอาจริงเอาจังกับการทำงานเวลามีงานเล่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการการหยุดพักนะมันไม่มีประโยชน์เหมือนกับคนที่ต้องเรื่อยไม้นะ ต้องเร่งรีบเรื่อยไม้ให้ได้เสร็จ20แผ่นภายในวันนี้ก็จะเร่งก็ <S <S จะเรื่อยไม่หยุดนะแต่ยิ่งทําเช่นนั้นเนี่ยคุณภาพงานก็จะตกลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเลื่อยไม่หยุดนี่นะเป็นยงางทําไปได้ชั่วโมงแรกก็ได้สักสองแผ่นพอชั่วโมงที่พอชั่วโมงที่สองนี่มันไม่ได้2แผ่นแล้วล่ะมันอาจจะได้แผ่นครึ่งเพราะว่าเหนื่อยแต่ว่า คนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะรู้จักหยุดเขารู้จักหยุดแล้วหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อฟื้นกำลังแต่บางทีก็ไม่ได้หยุดเปล่าๆนะหยุดไปด้วยระหว่างที่พักก็รับคมเลื่อยรับคมเลื่อยให้มันคมขึ้นแม้จะเสียเวลาไปสิบนาทียี่สิบนาทีแต่ว่าพอกลับมาเลื่อยใหม่นะอาจจะเลื่อยได้มากกว่า ช่วโมงที่สองก็ยังเลื่อย ไ, ได้สองแผ่นเหมือนเดิมเพราะว่ากำลังไม่ได้ตกแล้วก็เลื่อยก็ไม่ได้บินแต่คนที่เลื่อยไม่หยุดเนี่ยเพราะว่าอยากจะเร่งงานเนี่ยคุณภาพงานก็จะตกลงไปเรื่อยๆบางทีเสร็จวันแล้วยังไม่ถึงยี่สิบแผ่นอย่างที่ต้องการเลยแต่คนที่ทำแล้วรู้จักหยุดบ้างหยุดแล้วก็รับคมเลื่อยเขาก็สามารถจะทาผลงานได้อย่าง อย่างสม่ําเสมอแม้จะใช้เวลาเรื่อยน้อยกว่าแต่อาจจะเสร็จก่อนหรือเสร็จเร็วกว่าคนแรกก็ได้นี่พราะอะรพราะเขารู้จักนะรู้จักหยุดรู้จักรู้จักพักนะนที่เรามาที่นี่ก็เหมือนกันเรามานะมันไม่ใช่เป็นการเสียเวลานะมันเป็นการจะเรียกว่าเป็นการพักก็ได้แต่ว่าเป็นการพักเพื่อสะสมกําลังไม่ใช่การสะสมแรงกายแต่สะสม แรงใจคือเพิ่มพูนสติเพิ่มปูนปัญญาให้มากขึ้นมันก็จะช่วยทาให้เราทำงานได้ดีขึ้น <c oughs> การการทำงานกับการพักผ่อนนี่สำคัญนะมันเป็นสองเป็นสิ่งที่คู่กันและพักผ่อนนี่ไม่ได้แปลว่าพักกายอย่างเดียวนะพักใจก็สำคัญการทำงานนี่เราสามารถจะพักใจไปในตัวได้ด้วยนะ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้แรงงานแรงกายหรือเป็นงานที่ใช้กำลังสมองความคิดมันสามารถพักใจไปด้วยนะในเวลาที่ทำก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่วิตกกังวลทำนี่ใจอยู่กับปัจจุบันก็ไม่วิตกกังวลว่าเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเหนื่อยใจเพราะว่าความวิตกกังวล ยังไม่ทันจะทําำเลยแล้วก็หมดแรงสารเพรวิต ก, กังวงลน้ออ้ยงานต้องเยอะจะเสร็จทันหรือเปล่าอย่างคนที่พูดเมื่อกี้นี่นะไม่ทันจะทําอะไรหรือทําได้นิดหน่อยก็ป่วยแล้วนอนดีกว่านะแต่ว่าคนที่เขามีสตินี่เขาทําไปทําไปใจเขาก็สบายเพราะเขาอยู่แค่ปัจจุบันไม่มีเรื่องของวันพรุ่งนี้มารบกวนจิตใจเขาก็ทําได้ดีอันนี้เรียกว่าทําไปด้วยพัก พักใจไปด้วยมันเป็นศิลปะนะเรื่องการทำทำงานไปด้วยพักใจไปด้วยเนี่ยมีเพื่อนองตมาคนหนึ่งเป็นเป็นพระเป็นพระเซนนะชาวอเมริกันเขาเล่าถึงอาจารย์เขาคนหนึ่งมีชื่อมากในอเมริกาชื่อชุนเดียวสุสุกิเป็นผู้ที่มาตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเมื่อสัก50ปีที่แล้วตอนที่มาสร้างวัดเซนนะ ก็อาจารย์ก็ยุมากแล้วหกสิบกว่าแล้วแล้วตัวเล็กด้วยก็ต้องขนอิดขนไม้นะเพราะว่าไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ถ้าโชคดีหน่อยมีลูกศิษย์นะลูกศิษย์ก็เป็นชาวเมริกันเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าหนุ่มสาวรุ่นนั้นนี่เริ่มสนใจาศาสนาแล้วเป็นคล้ยๆพวกฮิปปี้นะก็มาสนใจเรื่องาศาสนาสนใจเรื่องเซนเรื่อง พุทธศาสน า, าก็ก็มาช่วยอาจารย์สร้างสร้างวัดนะ่ยแต่ลูกศิษย์เนี่ยหนุ่มๆทั้ทงนั้นสาวๆทั้งนั้นพอขนหินข น, ขนไม้ไปได้สักครึ่งวันก็หมดแรงเหนื่อยส่วนอาจารย์นี่ก็ยังขนไปได้เรื่อยๆแม้จะขนช้าแม้จะทําอะไรช้าแต่ทําได้เรื่อยๆทําได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็แปลกใจว่าอาจารย์ทําได้ยังไง ถามอาจารย์อาจารย์ทำได้ยังไงตัวเล็กกว่าลูกศิษยนะ์อายุมากกว่าลูกศิษย์ด้วยอาจารย์บอกว่าก็ผมพักตลอดเวลาเนี่ยนะผมพักตลอดเวลาพักนี่ไม่ได้พักกายนะกายนี่ยังทำงานแต่ใจนี่พักคือขนหินไปด้วยก็ขนแตขนแต่ตายแต่ว่าใจไม่ได้ขนหินด้วยใจก็ไม่ได้ขนหรือแบกความกังวลอะไรนะไม่ได้เล็งไม่ได้ลีด เสร็จต่อเมื่อมันเสร็จไม่เสร็จก็ไม่เสร็จก็ทําไปเรื่อยๆใจสบายขนแต่กายนะกายนี่ขนแต่หินแต่ใจสบายนะนี่เรียกว่าทําไปได้พักไปด้วยให้เราลองฝึกทําอย่างนี้ดูบ้างนะแต่มันก็ต้องฝึกจากการปฏิบัติเองที่เราทําตอนนี้นะถ้าเราทําได้อาการหน้าดํำข้ามเคร่งนะทําแบบโหมทําแบบจะเอาจะเอาจะได้เนี่ยนะเหนื่อยบานะงที่เดินก็เดินไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ แต่เครียดนะเพราะว่าใจเนี่ยมันแบกความอยากแบกความความต้องการได้เยอะอยากจะเอาชนะอยากจะเอาชนะความคิดอยากจะเอาชนะไอความคิดปรุงแต่งทํเนี่ยต้องทําด้วยใจที่สบายๆทําเล่นๆอย่าไปคาดหวังอะไรแต่ขอให้มีความพอใจที่ได้ทําอย่างที่พูดมาตอนตน้นคือมีฉันทะอะไรเกิดขึ้นก็รู้นะ ดูใจไปเรื่อยๆดูไม่เห็นดูไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ดูใหม่จะโดนความคิดหลอกไปบ้างก็ช่่งมันเราต้องหัดช่่งมันบ่อยๆนะชั่งมันช่างมันแต่ไม่ใช่ช่่งมันแล้ว เ, เอาเราไปนั่งหลับนะไปนั่งเงียบมันได้ไม่ถูกชัางมันแต่ว่าเราทาต่อทาไปเรื่อยๆจะทำแบบทิ้งๆคว่างๆมันก็ได้เพราะว่าใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ เผลอบ้างเผลอบ่อยก็ทําไปต่อไปก็จะเห็นใจของเราเห็นความหงุดหงิดเห็นความเบือ่อนะถ้าเห็นอย่างนี้ถึงแม้ไม่สงบไม่เป็นไรนะยิ่งดีได้ซ้ําสงบมีความสงบเกิดขึ้นแต่ไม่เห็นอันนี้ไม่ดีแต่มีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความเบือ่อความเซง็งแล้วก็เห็นความเบือ่อความเซง็งอันนี้เป็นของดีนะเพราะว่ามันได้เกิดการรู้รู้ใจขึ้นมารู้ ไม่ใช่รู้ใจคนอื่นแล้วก็ไม่เรียกร้องให้ใครมารู้ใจเราด้วยเรานั่นแหละจะรู้ใจตัวเองพอรู้ใจตัวเองแล้วเนี่ยไอ้ความรู้สึกมืคิดมันก็จะมาครอบงําจิตใจเราได้น้อยลงแล้วก็จะเห็นเลยว่าเราทูกเพราะความคิดมากเราทูกเพราะความคิดทูกเพราะความวิตกกังวลยังไม่ทันจะทํางานเลยก็เครียดซะแล้วเพราะความวิตกกังวลว่าจะเสร็จไม่ทันจะเสร็จไม่ทันนะ แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราก็วางนะไม่ไม่ไปคิดขําช็อตทําปัจจุบันให้ดีถ้าวางแผนเรียบร้อยแล้วก็ตั้งหน้าทําอยู่กับปัจจุบันไปแล้วเห็นต่อไปต่อไปมันก็จะเห็นว่าโอ้ความคิดนี่มันไม่น่าเชื่อนะหมายความว่ามันคิดอะไรไปไม่ใช่ว่าต้องไปเชื่อความคิดนะมันสั่งให้เราคิดน่นคิดนี่ก็อย่าไปเชื่อมันมันสั่งให้เราโกรธแล้วก็ไม่ไม่โกรธตามมัน มันสั่งให้เรางุ่ยอยู่แล้วก็ไม่งุ่ยตามมันแต่ใหม่ๆก็ทำนี่ไม่ได้นะยังยากอยู่เพราะว่าเราเรามักจะไม่ค่อยรู้ทันความคิดมันก็เลยหลงตามความคิดแต่ต่อไปก็จะเห็นว่าโอ้เรานี่ยนะความคิดนี้เชื่อไม่ได้เพราะบางทีมันสรุปมันสรุปร่วงหน้านะมันชอบสรุปร่วงหน้าหรือชอบทึกทักเอาว่านี่คือความจริงเห็นใครทำอะไรไม่ถูกแล้วก็สรุปแล้ว นะว่าไม่ถูกไม่ดีเห็นเขากระซิบกระซาบกันก็สรุปแล้วว่าเขากาลังนินทาเรานะถ้าคนเราที่ชอบชอบสรุปนะอยู่ตลอดเวลานี่เพราะว่าไม่รู้ทันความคิดและบางทีไอ้การที่เราชอบสรุปนี่แหละที่มันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมามีคนหนึ่งเขาพ่อเขาเป็นเป็นมะเร็งปอดนะเขาก็ เนื่องจากสูบบุหรีมากก็พยายามขอร้องพ่อให้เลิกสูบบุหรีพ่อก็ไม่เลิกตอนหลังจนกระทั่งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเข้ารักษาโรงพยาบาลสุดท้ายก็ต้องไปรักษาตัวก็ต้องไปอยู่คอนโดนะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลลูกชายก็หวังดีก็บอกพ่อว่าอย่าสูบบุหรีนะลูกก็พ่อก็บอกไม่สูบบุหรีไม่สูบแล้วพอแล้วนะ แต่ว่าวันหนึ่งก็ไปเยี่ยมพ่อที่คอนโดคอนโดนี้ก็จะเป็นของเป็นของพี่ชายเนี่ยเยี่ยมพ่อเสร็จก็เดินไปที่ระเบียงก็เห็นขี้บุหรี่สองสามตัวสองสามชิ้นก็โกรธมากเลยโกรธมากว่าพ่อเนี่ยนะแอบสูบบุหรี่แล้วจะตายไว้จะไม่เลิกสูบก็ว่าพ่อพ่อก็บอกพ่อไม่ได้สูบไม่ได้สูบลูกก็ยิ่งโกรธใหญ่นะว่าพ่อนี่สูบแล้วยังเถียงอีกนะ หลักฐานมันคานังคาเขาอย่างยังเถียงอยีกก็ว่าพ่อไปแล้วไม่กี่วันหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์นะพ่อก็เสียชีวิตจัดงานศพก็มาเคลียร์ของที่คอนโดแล้วลูกก็ไปเดินที่ระเบียงก็เห็นเศษเห็นคีอ่และเห็นก้นบุหรี่ตกอยู่อีกชิ้นสองชิ้นก็แปลกใจเอ พ่อเสียชีวิตไปแล้วทำไมมันยังมีก้นบุหรี่อยู่สํารวจรอบๆก็เลยรู้ว่ามันมีห้องข้างบนเนี่ยเขาสูบบุหรี่เขาแล้วก็สูบบุหรี่เขาก็ทิ้งก้นบุหรี่ลมมันพัดมันก็พัดเข้ามาในระเบียงถึงตอนนี้ลูกก็เลยรู้ว่าพ่อไม่ได้สูบบุหรี่หรอกแต่ว่าเราก็ว่าพ่อไปแล้วเราตัดสินไปแล้วว่าพ่อสูบบุหรี่พ่อโกหกพ่อปฏิเสธว่าไม่สูบต้เสียใจนเสียใจว่า ไปว่าพ่อแล้วแล้วก็ขอโทษพ่อไม่ได้แล้วเพราพ่อเสียชีวิตไปแล้วอันนี้คนเราก็บ่อยครั้งนะั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนะคือว่าเราเราไปเชื่อความคิดเราสรุปเราด่วนสรุปที่จริงคนเราเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะที่จะสรุปโน่นสรุปนี่ทั้งทั้งที่ยังไม่ทันเห็นด้วยตาแต่ก็สรุปไว้ก่อนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ธรรมดาแต่ถ้าคนที่มีสติเขาจะรู้ว่า ยังเชื่อความคิดไม่ได้ก็ต้องทักต้องทวงต้องทวงความคิดอาจจะไม่จริงก็ได้นะนะคนที่เขามีสติเขาจะรู้วเนี่ยเขาจะทักทวงความคิดยังไม่เชื่อมันทีเดียวนะเพราะว่าความคิดนี่มันก็หลอกเราได้แต่คนที่ไม่ไม่มั่นดูใจไม่หมั่นดูความคิดเนี่ยมันก็จะไม่เคยมีความคิดแบบอยู่ในใจได้ซ้าคือเชื่อความคิดต่พึต่ตือสรุปอะไรได้ก็เชื่อว่วามันเป็นจริงนะ แต่ถ้าเราหมั่นดูความคิดบ่อยๆหมั่นดูใจหันเห็นความคิดก็จะรู้ว่าเนี่ยมันก็จะสูบอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็จะทักทวงนะอยากจะทำอะไรก็ก็ยังยังไว้ก่อนนะหลวงพ่อชาลินเคยเล่าสมัยนี้หลวงพ่อชาวัดหนองประพงษนันนะสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็จะมีมักจะมีญาติโยมโดยเพราะผู้หญิงเนี่ยนะมาจะมาขอบวช หลายคนก็มาขอบวชเพราะว่ามีเรื่องราวกับสามีนะก็จะขอผ้าหอบผ่อนมาแล้วก็จะมาบวชนะหลายคนก็จะพูดว่านี่จะมาบวชนะตลอดชีวิตแล้วเพราะว่าเบื่อแล้วกับชีวิตครอบครัวทะเลาะ ก, กับผัวนะไม่มีความสุขเลยนะจะมาอยู่วัดไปจนตายหลวงพ่อถ้ามีประสบการณ์เจอท่านก็จะบอกว่าอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งไปสรุปอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอย่างนั้นไงนะอย่าไปเชื่อความคิดทีเดียวนะเสร็จแล้วเป็นยังไงสอามวันต่อมาสามีก็มางอนมัง้อมังอ น, งองอนให้กลับไปเพราะสามีถ้าไม่มีภรรยาอยู่ด้วยก็ลำบากนะก็คิดได้ก็มงัง้อมังอนให้สามีให้ภรรยากลับไปกลับไปที่บ้านภรรยาพอเจอสามีงอนงอ้อพูดจากพอเพ้อก็ กลับไปดีกว่านะให้ความคิดที่จะบวชตลอดชีวิตนี้เลิกนะอยู่ได้แค่สามวันก็เปลี่ยนใจแล้วนะให้ความคิดเราเป็นอย่างนี้นะคือว่า ม, มันมันมักจะด่วนสรุปนะตัดสินใจอะไรสักอย่างก็จะคิดเป็นมั่นเป็นหมอว่าจะเอาให้ได้บางคนตั้งใจว่าปฏิบัติมามาได้สองสาอาทิตย์รู้สึกดีนะเกิดปิติมากจะขอบวช ไม่ได้บวชเปล่าๆตนะ้องขอบวชตลอดชีวิตเลยนะนั้นพอบวชได้แค่พรรษาเดียวก็เบื่อแล้วนะไอ้ปิติที่มันเกิดขึ้นมันก็จางคลายไปตอนนี้ก็คิดแล้วว่าอยากจะศึกนะเริ่มสุขการบวชกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออันนี้เพราะว่าไปหลงเชื่อความคิดนะไปหลงเชื่ออารมณ์นะมันมันความคิดและอารมณ์มันมาด้วยกันให้ตอนปิตินี่ก็มันไม่ใช่ปิติมันเป็นคนบอกว่าเอ้ยบวช ด, ดีกว่า แต่พอปิติหายเนี่ยก็เลิกนะถ้าคนที่เขาเขารู้ทันความคิดก็จะคอยดูมันเออตอนนี้มันอยากจะบวชก็ดูมันไปก่อนนะยังไม่สรุปยังไม่ตัดสินนะดูมันไปเดี๋ยวสักพักก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจนะการจระสตรีมาช่วยทำให้เราเห็นความคิดแล้วก็ดูมันดูโดยไม่ตัดสินนะ มันอยากจะบวชตลอดชีวิตก็ดูมันไปก่อนยังไม่ผลีผามทำตามมันหรือว่ามันสรุปว่าเพื่อนคนนี้ไม่น่าไว้ใจหรือว่าแฟนเรานี่นอกใจมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นก็ดูมันไปก่อนยังไม่ยังไม่หลงเชื่อมันอาจจะทักท้วงหรือคิดเผื่อว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ล้วคนเรานี่ถ้าหากว่าหัดดูใจแบบนี้เนี่ยนะไม่เพียงแต่ใจใ จ, จะใจจะสบายนะ แต่ว่าความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่นี่พอเรานึกเราคิดหรือมีอารมณ์อะไรขึ้นมาก็พลิพร้ามหุนหันทําไปตามความคิดทําไปตามอารมณ์เสร็จแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาอยู่บ่อยๆนใการที่เราเฝ้าดูความคิดเนี่ยโดยไม่ตัดสินนี่ถ้าเราใช้ให้เป็นนี่ก็มาใช้กั บ, กบผู้คนได้เนื่อเพาะกับคนใกล้ชิด ความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด น, นี่บ่อยครั้งก็เกิดจากการที่เราตัดสินกันง่ายนะตัดสินกันเร็วนะเพียงแค่เขาพูดเพีกี่คำก็ตัดสินแล้นะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าได้ยินบ่อยนะจนเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอยู่นิ่งๆลองฟังดูนะลองฟังดูมัอนก็ที่เราดูใจของเราใจมันจะบ่นใจมันจะโวยวางก็ดูมันไปนะ กับคนอื่นก็เหมือนกันนะเวลาใครพูดใครจา่าคนพูดคนจามาเราลองลองลองหยุดฟังนิ่งๆดูบ้างส่วนใหญ่เขาไ ม, ไม่ค่อย ไ, ไม่ค่ยได้ม่คยได้ฟังอ่ะก็คิดในใจแล้วว่าเขาต้องมาไม้นี้ต้องพูดอย่างนี้แล้วก็เตรียมสวนเตรียมแยง่งเตรียมโต้นะี่จิตไม่ว่างนะคือไม่ไม่สงบไม่นิ่งพออันนี้เรียกาขาดสติแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะฟังเราจะนิ่งเราจะไม่ตัดสิน แล้วก็บ่อยครั้งนี่มันทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นมีเพื่อนก็ไล่ให้ฟังว่าตัวสามีเนี่นะสามีนี่ก็เป็นคนที่ก็ขยันทำมาหากินนะแต่ว่าก็มีนิสัยคือว่าอชอบสังสรรค์กับเพื่อน แล้วก็บ่อยครั้งตอนเย็นก็เพื่อนชวนไปกินเหล้าแกก็ไปแกก็ไม่ได้กินเหล้าอะไรมากไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เมาไมายแต่ว่าไปกินทุกครั้งกลับมาก็จะโดนภ ร, รยาบน่นภ ร, รยาพูดนะบางทีไม่บางทีไม่ทันจะไปเลยก็โดนบ่นซะแล้วก็ลำคาญนะบางทีก็เลยโตเถียงกันตอนหลังเนี่ยเขาก็ มาได้คำชี้แน่ว่าเออทาไมเราไม่ลองฟังเขาดูล่ะนะแทนที่จะเถียงแทนที่จะแยง้งแทนที่จะรู้สึกลาคาญซะก่อนลองฟังดูนะเขาก็ไม่คิดว่าการฟังมันจะช่วยอะไรได้นะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลองดูนะพอภรรยาภรยาบน่นภรรยานะพูดขึ้นมาเขาก็แทนที่เขาจะสวนกลับหรือว่า เอาหูทวนลมเขาก็ลองฟังดูแล้วก็พบว่าที่ภรรยาพูดอย่างนั้นเนี่ยมันมีความห่วงกังวลอยู่ลึกๆไม่ได้ห่วงแค่ว่ากลัวเขาสุขภาพจะไม่ดีนะเพราะเขาก็ไม่ได้กินเหล้าอะไรเมาเมาเหมายมากแต่สิ่งที่เขาได้จับได้ก็คือความกังวลของภรรยาว่าสามีนี่จะจะเบื่อเขาเนี่เพราะว่าอยู่กันมาสิบปีแล้วผู้หญิงก็กลัวว่าตัวเองนี่จะ สามีจะเบื่อนะีจะไม่ค่อยสนใจก็จะไปจะไปไปหาความสุขข้างนอกอันนี้ก็เป็นความวิตกกังวลของภรรยานะแต่พอสามีเ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเขาก็รู้แลวโอ้มันไม่มีอะไรอันนี้ก็เป็นความเป็นความกังวลของภรรย า, าก็พยายามพอเขาพอเขาฟังนี้เขา้าใจพอเกิดความเข้าใจแล้วไอ้ความที่จ ะ, ะลาคาญ ภรรยาหรือว่าเบื่อหน่ายมันก็แปลเปลี่ยนไปเป็นความเข้า อ, อกเข้าใจนะแล้วก็ทำให้เกิดทำให้ภรรยามั่นใจว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้รู้สึกอย่างที่ภรรยาวิตกนะความสัมพันธ์มันก็ดีขึ้นนะคือมันก็เริ่มต้นจากการที่ฟังนะฟังอย่างสงบฟังอย่างใส่ใจไม่ตัดสินอีกคู่หนึ่งก็เป็นก็ สามีภรรยาเหมือนกันนะสามีก็เป็นคนทําสวนสวนแบบไม่ใช่สวนแบบชาวบ้านนะก็เป็นสวนแบบพอมีฐานนะสามีก็ดีมากนะทําอาหารเช้าอาหารเย็นให้ภรรยานะแต่มีปัญหาอย่างหนะึงคือว่าภรรยานี่บางทีก็กลับบ้านข้ามเพราะว่าเป็นสาวออฟฟิศสามีก็จะคอยรอทํากับข้าแล้วก็จะคอยรอว่าเมื่อไหร่ภรรยาจะกลับมากินข้าวนะ พอไม่กลับมาทุ่มสองทุ่มสามีก็จะโทรไปตามเทมอย่างนี้บ่อยๆภรรยายก็ลำคาญนะบางทีก็กดโทรศัพท์ทิ้งไปไม่ไม่ฟังหรือบางทีก็รับโทรศัพท์มาก็ว่ า, วาเหมือนกับว่าเราแหวงว่าเขาจะไปมีชู้มีนอกมีไหนหรือเปล่านะแล้วบางทีก็แก้งไม่กลับมาเฉยๆหรือว่าแกล้งกลับดึกๆนะสามีก็รอนะรอ เพืจะกินข้าวด้วยกันตอนหลังภรรยานี่ก็เขาก็ได้แง่คิดเหมือนกันว่าเออทําไมเราไม่ลองฟังสามีบ้างว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้ น, นทีแรกก็เวลาโทรศัพท์มาแทนที่จะด่ากลับไปก็อฟังว่าเขาว่าอะไรแล้วก็พูดเขาดีดีพอกลับมาถึงบ้านแทนที่จะโวยวายก็ฟังเขาว่าเออ เขาต้องการอะไรแต่แล้วก็ค่อยมารู้นะว่าโอตัวสามีเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับภรรยาเท่าไหร่นะก็มีเวลาช่วงเดียวที่จะได้อยู่กับภรรยาคือช่วงเวลากินข้าวข้าวเช้ากับข้าวเย็นเพราะฉะนั้นนะเขาก็หลังจากทำงานหนักเขาก็าพยายามที่จะรอทากับข้าวให้แล้วก็รอกินข้าวด้วยกัน แต่ภรรยาไม่เข้าใจตรงนี้เพราะภรรยาก็ทำงานออฟฟิศก็ จ, จะไม่ค่อย ไ, ได้รู้ปัญหาหรือความในใจของสามีพอรู้ว่าสามีก็ต้องการที่จะได้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมากก็เวลากินข้าวเพราะฉะนั้นก็จะไม่กินข้าวก่อนเขาก็จะรอนานแค่ไหนก็จะรอแต่ว่าสามีภรรยาไม่เข้าใจเาโวยวายใส่ทวงอยู่นั่นแหละตามตื้อ น, นั่นแหละอันนี้พอฟังเขา้าโอเข้าใจเลย มันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นเรื่องความเห็นใจเป็นเรื่องความรู้สึกนะที่ดีๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มีความระแวงอะไรก็เลยนะก็เลยตอนหลังก็พูดกับสามีดีๆนะถ้ามีทุนเล่าก็บอกว่าเดี๋ยวยังไม่กลับนะเดี๋ยวก็จะกลับแล้วก็จะพยายามกลับบ้านให้เพื่อมากินข้าวด้วยกันยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งอยู่กันเป็นนานๆเนี่ยการที่จะฟังกันก็น้อยลงนะเพราะว่าแต่ละคน ใช้ชีวิตซ้ำซากเหมือนกับหรือพูดเหมือนกับพูดเหมือนกับอะไระแผ่นเสียงตกลงนะพอพูดมันแผ่นเสียงตกลงก็เลยไม่ฟังแล้วแต่พอลองฟังสักหน่อยนะฟังโดยไม่ตัดสินยังไม่ต้องคิดอะไรฟังด้วยหัวใจที่โล่งๆว่างๆก็ จ, จะพบความจริงว่าโอ้มันเป็นเรื่องความห่วงใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องความสื่อึกมีอคติหรือเป็นอกุศลอะไรเลยอันนี้มันนี่ขนาด คนที่มีความรักหรือคนใกล้ชิดกันนี่ก็ยังมีปัญหาตรงนี้นะคือไม่ค่อยฟังกันทั้งๆ ท, ที่มีใจมีใจให้แก่กันและกันนักภาษาอะไรกับคนที่อยู่ไกลออกไปเช่นเพื่อวงงานเจ้านายกับลูกน้องหรือว่าเพื่อวงงานที่เหินห่างกันหรือบางทีก็มีมีอคติต่อกั น, นก็ยิ่งไม่ฟังกันเข้าไปใหญ่นะแล้วพอไม่ฟังกันนะก็ ความสัมพันธ์ก็เลวร้วายลงไปเรื่อยๆการที่เราจะฟังกันได้นี่มันก็มีพื้นฐาน ม, มาจากสตินะเพราะว่าปฏิกิริยาของคนเหล่าเนี่ยมันมันจะทําตามความเคยชินเดิมๆคือทันทีที่ได้ยินได้ทันทีที่ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วว่าจะพูดอะไรหรือจะสุดแล้วว่าเขาละแวงเขาเขาละแวงเขาจู้จี้กับเราสรุปก่อนที่เขาจะพูดเสร็จหรือสรุปก่อนที่เขาจะ จะอาปากได้ซ้ำนะอันนี้เพราะเราไปไปหลงเชื่อความความคิดมากเกินไปเราไปด่วนสรุปแต่ถ้าเรารู้จักทักท้วงบ้างเราก็จะนิ่งเราก็จะฟังได้และการฟังนี่มันช่วยเ ย, ออยียวยาคนได้มากนะความโมโหความโกรธความอะไรพอเราฟังแล้วมันช่วยเขาได้เยอะฉะนันนันก็ฉันนั้นนะใจของเราก็เหมือนกันนะ มันมีความวิตกกังวลมันมีความรู้สึกหงุดหงิดอะไรต่างแล้วก็ดูมันไปเรื่อยๆไม่ต้องตัดสินอะไรดูไปนะบางทีมีความรู้สึกผิดมีความรู้สึกเจ็บแค้นปกติเนี่ยพอเรามีความรู้สึกแบบนี้เราก็จะพยายามกดมันเอาไว้พยายามกดกดข่มมันเอาไว้แต่ว่าถ้าเราเปิดให้มันออกมาดูมันไปดูมันไปมันก็จะค่อยๆคลายตัวคลายตัวมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไป ให้ความรู้สึกผิดความรู้สึกติดค้างใจถ้าเราไปกดขม่มมันมันก็จะยิ่งรบ ก, กวนจิตใจมากขึ้นก็เสียใจกันเศร้าใจดกดขมม่มบอาไว้มันก็ยิ่งรบ ก, กวนจิตใจแต่ถ้าเราดูมันดูมันโดยไม่ตัดสินคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็ดูไปมันช่วยได้เยอะเลยนะช่วยทําให้อารมณ์พวกนี้มันรบ ก, กวนเราน้อยลงแล้วมันก็ไปเหมือนกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่มาแล้วก็ไป นะไม่ได้ไไดจูจ้จี้หรือดื้อด้านที่จ ะ, จะอยู่ไปนานๆแต่ส่วนใหญ่เป็นพราเราอยากจะไล่มาพออยากจะไล่มันก็เลยอยู่ยาวเลยแต่พอเราไม่ไล่เราต้อนรับเขาเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปนะมันเป็นอย่างนี้นะอ่ะเราก็พูดกันท่อนนี้